แนคำวั น, วนแล้วก็เ ร, รื่องความรูเ้เกี่ยวกับความตายก็เพาะใกล้ตายในมุมมองของแพทย์เช้านี้ก็อยากจะเพิ่มอีกมุมมองหนึ่งก็คือมุมมองของพุทธศาสนาและซึ่งนับเป็นประโยชน์กับพวกเราในเรื่อการดูแลผู้อยู่ยพุทธศาสนาเนี่ยมองว่าชีวิตเนี่ยประกอบ ไ, ได้วยกายกับใจเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาพูดถึงการดับชีวิตหรือความตายเนี่ยมันก็จะมีสองส่วนที่ควรพิจารณาร่วมกันก็คือการแตกดับทางกายแล้วก็การแตกงดับทางใจส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพูดถึงความตายเนี่ยเราก็มองแต่เรื่องกายหรือเอาอาการทางกายเป็นตัววัดเช่นดึกหายใจหัวใจจะเต้น หรือสมองตายในอนาคตก็จะมีตัวชื่อว่าตัวใหม่ที่ดีกว่าสมองตายแต่ก็คงยังไม่พ้นเรื่องของกายแต่ที่จริงแล้วนในทางศาสนาเนี่ยเท่านี้เนี่ยยังไม่เรียกว่าตายสนิทหรือว่าตายสมบูรณ์มันต้องความตายสนิทความตา ย, ยาสมบูรณ์เกิดขึ้นได้เมื่อไม่ใช่เพียงกายที่ดับจิตก็ดับไปด้วย พระพุทธเจ้าเปตรัสว่าคเราตายเมื่ออายุไออุ่นและวิญญาณดับหรือว่าร่างกรายอายุและไออุ่นนี่ก็คือเรื่องกายส่วนวิญญาณก็คือจิตการแตกดับความตายเนี่ยมันจะเรียกว่าตายอย่างแท้จริงก็เพราะก็เมื่อกายและจิตเนี่ยมันดับแต่ก็ไม่ใช่ว่าดับพร้อมกันนะกายไปก่อนและจิตค่อยตามไปทีหลังทารุทธศาสตรในรถแบบ บัชรยามจะอธิบายละเอียดเป็นระบบเริ่มต้นด้วยความตายเริ่มต้นด้วยความแตกดักทางกายเนื่องจากกายเนียรูปเนี่ยนะมันประกอบไปด้วยดน้ำ้ำไฟลมนั่จะเป็นคนที่ตายด้วยการธรรมชาติก็คือป่วยตายแล้วก็ไม่มีการแทรกแซงด้วยเทคโนโลยีเพื่อเทีย่ยวดื่อชีวิตเอาไว้เนี่ย ววาตารางตก็เริ่มต้นที่การแตกดักของธ <c oughs> าตุดินก่อนธ <c oughs> าตุดินเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องการเมื่หรือส่วนเหมือนถุตันเ <c oughs> ช่นน่ยร่ <c oughs> างกายอ่อนเปลี้ไม่มีเรือไม่มีแรงเดินไม่ได้ต้องนั่งและจากนั่งก็เป็นนอนอันนี้ก็เรียกว่าธาตุดินมันค่แตกดั ก, ดกแล้วก็ค่อยพายพร้อมไปเรื่อยๆจากนั้นก็ธาตุน้ำธาตุน้ําก็แตกฝน ซึ่งปกติ ก, ก็เช่นปางแห้งคอแห้งบางกีปาก็แห้งผิวแห้งแต่บางคนก็จะมากเกินไปเหงื่อไหลเลือดเหงื่อการหลังจากที่ท่านน้ําแปลปัวแล้วก็ถึงคราวของท่านไฟร่างกายก็เริ่มเย็นลงเย็นลงเย็นลงบางคนก็เย็นจากท่าพึ่งมาบางคนก็เย็นจากหัวลงไปบางแต่บางรายก็ร้องที่ว่า ถ้าสายกำเริบน้าหนักแบบที่อาจจะไม่ต้องห่มผ้าเลยก็ได้แล้วสุดท้ายก็ตามมาด้ยทับลมนะก็คือการหายใจเรามีปัญหาพอใกล้ตายก็หายใจเหนื่อยหอบแล้วสุดท้ายก็หมดลมนั่นเรียกว่าการแตกตักของของร่างกายซึ่งมันก็จะเกิดควบคบู่กแบบับการความแปรปรวนในเรื่องของการรับรู้ คือพอท่านยินแปรปวนนการเห็นเนี่ยมีปัญหาพอท่านน้าแปรปวนการได้ยินก็มีปัญหาพอท่านฝ่ายแปรปวนการได้กลิ่นก็มีปัญหาและเมื่อท่านลมแปรปวนน่การรับรู้ความรู้สึกการสัมผัสก็จะไม่รับรู้แหละคือแตะเนื้อต้องตัวเขาก็ไม่รับรู้ แต่ข้อดีก็คือว่าความเจ็บปวดทางกายซึ่งเรากลัวกันเนี่ยจิตมันก็จะไม่รับรู้ละกายเป็นยังไงใจมันไม่รับรู้อันนี้ก็อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับพวกเรานะที่กลัวว่าตอนใกล้ตายจะปวดนะักมันก็ปวดจริงแต่พอถึงช่วงที่ใกล้ตายมันก็จะก็จะไม่รับรู้แลแต่ก็บอกได้ยากว่า ก่อนตายกี่นาทีก่อนตายกี่ชั่วโมงนะไอ้าวาที่ไม่รู้สุดเจ็บปวดตอนนี้พอดินน้าไฟลมนะั่งแตกดับหายใจแล้วหัวใจหยุดเต็นแล้วถามว่าตายหรือยังตายเฉยหรือยังก็ ย, ยังตอบว่ายัางเพราะกายเพราะจิตนี่ยมันยังไม่ดับก็ต้องรอให้จิตนี่มันแตกดับนะซึ่งทางที่เบรคเขากแจกแจงว่ามีสีขั้นตอน ไปสุดท้ายที่ภาวะแสงกระจกคือเพราะที่มันจิตมันก็ว่ามีแสงสว่างเฉพาะขอแ ส, อสงกระจกมันดับก็จึงเรียกว่าตายสนิททางที่เบงก็ยมีปรากฏการณ์เภว่าหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นแล้วแต่ว่าตัวยังอุ่นๆ อ, อยู่สพก็ยังไม่เน่าผ่านไปสามวันเจ็บวัน บางที่ถึงกับสองสามวันทิศเนี่ยก็ยังไม่หนาวอันนี้ก็เพราะว่าเขารู้วิธีที่จะประคองเพราะาแสงกระจ่างเอาไว้คือไม่ยอมให้มันดับแต่นี่ก็เป็นเทคนิคทัานสูงนะทางเทรลว์เราก็ไม่ได้สอนแต่ทางที่เบก็สอนกันเพื่อให้เป็นโอกาสที่จะได้เรียกว่าพิจารณาสัจธรรมจนหลุดพ้นท่านกรรมปะที่สิบหที่ไปมานับภาพที่ อเมริกาเนี่ยหมอก็ทึ่งมากว่าหัวใจจะติดเต้นแล้วแต่สามสกชั่วโมงหลังจากนั้นก็ยังอุ่นอยู่ทันนี้คนที่เดลืา ก, ก็รู้ว่าธรรมดานะเพราะว่าท่านกรรมาปานี่ท่านภาวนาได้อยู่ในระดับสูง ม, มากตอนนี้เนี่ยที่มันน่าสนใจหรือว่าเป็นประโยชน์กับเราในการรู้เรื่องนี้ก็คือว่า เ่อหัวใจหยุดเต้นแล้วแต่เนื่องจากจิตเนี่ยยังไม่ดับเพราะฉะนั้นก็หมายควาว่าการรับรู้ยังเกิดขึ้นได้รับรู้คือว่าเห็นเมื่อแตได้ยินแต่มาเป็นจิตที่รับรู้เนะี่ยไม่ใช่กายเพราะกายโดยเพราะสมองนี่ก็เรียกว่าไม่ทํางานแล้วอย่างที่เราได้ฟังเมวา่าสมองไม่ทํางานแต่จิตยังรับรู้ได้อันนี้ก็เพราะว่า สมองกับจิตนี่มันคนละส่วนกันบางคนไปคิดว่าจิตนี่คือสมองอันนี้สมัยใหม่แต่ว่าจริงๆแล้วจิตกับสมองมันแยกกันแต่มันก็เนื่องกันถาม่ารู้ได้ยังไงว่าเมื่อกายแากดับแล้วจิตยังรับรู้ได้มันก็มีปรากฏการณ์หลายอย่างที่พอจะอนุมานให้อนุมาณลักษณะนั้นได้คือมันมีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่หัวใจหยุดเต้นแต่พอช่วย เพื้นเขาขึ้นมาเนี่ยเ็าพบว่าเ็าบอกว่าเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งหัวใจหยุดเต้นกระทันหันก็หมอก็รีก็คนก็รีบพาส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการช่วยชีวิตเนะี่ยก็มีการปั๊มแล้วก็มีการใส่ท่อคนไข้คนนี้เนี่ยเนื่องจากใส่ฟันปลอมเนี่ยพยาบาลก็ต้องถอดฟันปลอกก่อนแล้วใส่ท่อเข้ไปช่วยหายใจ ช่วยชีวิตได้ก็ไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลอยู่ทิตศนึงเในวันหนึ่งชาาวันนี้เห็นเพียรบา่าวคนหนึ่งเดินผ่านมาแก้ก็ทักเลยแล้วคุณใช่ไหมที่ตอบฟันอมผมนี่เขเห็นได้ยังไงตอนนั้นเขาสลบหรือไม่รู้ตัวอาจจะเรียกว่าร่างกายนี้ไม่ทักแทบสมองแทบจะไม่ทํางานเท่าไหร่ละในว่าสมองส่วนกลางรรู้ทํางตาแต่เขาก็ยังเห็นนะไม่ใช่เห็น ภาพหลอนแต่เห็นความจริงเห็นภาพจริงมีคนหนึ่งเนี่ยหัวใจหยุดเต้นหลังจากที่ผ่านการรักษามะเร็งตอนที่เจอเคีมโมเจอการฉายแสงแพ้เท่าไหร่เข า, า, เขาก็ยังมีความหวังว่าจะรอก็ทดทนแต่แล้วเนี่ยมันหนึ่งคืนวันหนึ่งหัวใจหยุดเต้น หมอช่วยขึ้นมาได้แกก็รู้ว่าอนาคตแกคงจะไม่รอดก็เลยบอกหมอหมอท่านหมอเจ้าอยู่เต็นอยู่ไม่ต้องฟังแล้วนะเพราะว่าการเด็กเนี่ะคืนหนึ่งหัวใจอยู่เต็นอยู่ <c oughs> หมอเจ้าของไข้หมอไม่หมอเจ้าของไข้ไม่อยู่หมอเวรก็ไม่รู้ก็ไปปั๊มอย่างขึ้นมาวันรุ่ขึ้นเนี่ยพอแกรู้ตัว เดีก็เรียกรูปเรียกหลายมองต่อว่าค่าว่าจะไปสบายแล้วเชียวเรียกข้ากลับมาอีกน้องก็เราว่าตอนนี้อยู่เต้นเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยจากมุมสูงนะเห็นเด็กที่จ้างมาดูแลเนี่ยวิ่งไปเรียกหมอพยาบาลแล้วก็เห็นตัวเองแล้วถูกปังแต่ตอนนั้นไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกอะไรเลยกลับรู้สึกสบาย ในใจมึงจะรู้ว่า เ, เนี่ยถ้าไปตอนนี้ก็ดีนะสงบสบายพอรู้ว่าจะไม่ตายอย่างงนะผิดหวังนะต้องเรีเยบรื่นลกเรีเยกหลันเพราว่าตอ น, น, นหลังแกก็หัวใจเต้นอีกครั้งหนึ่งนะคราวนี้ก็ไม่มีใครฟังเงี้ยจะเห็นได้ยังไงมันไม่ใช่ hallucination มันไม่ได้เห็นญาติพี่น้องที่ตายแต่เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในเวลานั้น ในเช้าเจอกาฟิก็เคยเล่าเคยเขียนพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งในเช่าเจอกราฟิกจอนั้นก็พูดถึงเรื่องภาวะใกล้าตายคือคนนึงไปผ่าตัดแล้วก็หัวใจยหยุดเต้นอันนี้เป็นอ่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผ่าตัดพอใจยหยุดเต้นแกก็เห็นคือคือจิตมันถอออกมาจากกระ่างเห็นจอมอนิเตอร์แล้ว่าจิตก็ออกไปนอกห้องผ่าตัด แล้วก็ไปเห็นพ่อของตัวเองนะกำลังอยู่หน้าตู้กดคงจะซื้ออะไรเนะ่ะในตู้นั้นนะยอดเหรียญตอนนั้นมันดึกมากเมื่อผ่าตัดเสร็จแกก็คืนขึ้นมาแกก็รลอยให้พ่อฟงังพ่อตกใจแปลกใจเพราะพ่ อ, พอว่าตอนนั้นเนี่ยมีไม่มีใครเลยนะอกจากพ่อ บริเวณนั้นมันมีใข่มันดึกมากแล้ลูกสาวรู้ได้ยังไงมันก็คงอธิบายได้อย่างเดียวนะคือว่าเห็นนะถามว่เห็นด้วยก็เห็นได้จิตร่างเนี่ยมันนอนอยู่นะในห้องผ่าตัดสมองก็ในส่วนที่รับรู้เห็นมันก็คงจะไม่ได้ทำงานอะไรนะนอกจากเห็นก็ได้ยินนะด้วยเหมือนกันคนที่หัวใจหยุดเต้นนะกย็ยงสามารถได้ยินได้ เพื่อตอมาคนหนึ่งนะรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะว่าวันหนึ่งเกิดแพ้ยาอ ย, ย่างหนักหายใจไม่ออกดิ้นเลยนะดิ้นเลยก็ถูกพาตัวไปห้องอิเมอร์เจนซี่ตอนแรกแกปวดมาแล้วถึงจุดถึงจุดหนึ่งแกก็ความปวดก็หายไปได้ยินพยาบาลผู้กหมอว่าหัวใจหยุดเต้นแล้ว บีพนะี BP วัดไม่ได้ที่พิจารณ์ก็จับไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าตายไปแล้วชั่วขณะต่ังก็ฟื้นขึ้นมาได้นะพอรู้ตัวนี้บอกปวดคอมากเลยเจ็บคอมากเพราะว่าโดนใส่ท่อแต่ตอนที่หมอไปลงตรงดังนนเนี่ยขณะที่เขาไม่หายใจนะ หัวใจไม่เต้นไม่ได้รู้สึกเจ็บปเลยเลยแต่ได้ยินได้ยินหมอได้ยินทีาวางพู้อันนี้มันก็นี่คือภาวะที่เกิดขึ้นกับคนที่ถือว่าตายทางการแพทย์แต่ว่าถูกช่วยให้ฟื้นขึ้นมาได้เราก็เลยรู้ว่าเขายังสามารถจะรับรู้ได้ทั้นที่ตามองไม่เห็นทั้งที่ปิดตาก็ยังเห็นทั้งที่หัวใจหยุดเต้นก็ยังได้ยิน นั่นก็ก็พอจะรู้ ม, มาได้ว่าคนที่ตายจริงๆหมายถึงว่าหัวใจหยุดเต้นไม่สามารถจะเอาคืขึ้นมาได้เนี่ยถ้าสีกยังไม่แต่งตับเขาก็ยังน่าจะรับรู้หรือเห็นอันตราเคยมีประสบการณ์คล้ายแบบนี้ไปเยี่ยมแม่ของเพื่อนที่กำลงจะตายไปถึงตัวว่า ตายแล้วหมอบอกว่าตายแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วคุยตายไปแล้วชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าอสันเครื่องเรียก ว, ว่าสายที่มันต่อกับมอนิตเตอร์ต่างก็ยังไม่ได้ถอดอัลตมาก็มีความเชื่อว่าคุณหญ่ก็ยังรับรู้ได้เพราะเหมือนแค่ชั่วโมงเดียวท่านั้นเอก็เลยคุยคุยมาก่อน นำทางแกคุรให้นึกถึงพระแล้วก็ให้ปล่อยวางทุกสิ่งเนื่องจากลูกเขาเนี่ยเตรียมจะให้แม่ถวายสังฆทานก็เลยมีการถวายสังฆทานอย่างที่ตั้งใจไว้่อมารับสังฆทานเสร็จก็กวดน้ำยถาให้พรลูกสาวกดน้าเสร็จแล้วก็ รีบไปเลยเพราะว่ามีอีกการก็คืองานตกรอบนี่แหละแถวพุทธมนตรตอนนั้นไปที่โรงพาบาภูมิพลดูลเขาเล่าในเวลาต่อมาแล้วจังนั้นเนี่ยเพราะว่าไม่ได้มีเวลาคุยกันนะเราก็รีบไปเล้วเล่าบอกว่าตอนที่ธรรมมาคุยกับแม่เขาเนี่ยไอย้สัญญาณไอ้มอนิเตอร์เนี่ยมันบอกหัวใจนีนเต้นสัญญาณชีพ สัญญาณหัวใจเนี่ยเต้นก็เรื่องความบังเอิญเป็นความผิดพลาดเทคนิคหรือว่าท่าคุณยายแกรับรู้ได้จริงๆนะว่าอาตมากําลังพูดอะไรกับคุณยายนี่มันก็เกิดไม่ได้นะว่าคนที่เขาตายเยแม่หัวใจหยุดเต้นแล้วแต่ว่าการรับรู้ก็ยังเกิดขึ้นได้จิตยังทํางานต่อไปอยู่สักระยะหนึ่ง บางทีจิตของคนตายจะยังไม่รู้ได้ซ้ำว่าเตืเอนตายเลยเพราะถ้าเป็นการตายแบบฉับพลันแบบตีเทศยอย่างมีเู้ยญงคนหนึ่งเนี่ยลูกขาวหงขาจะไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านแลต้องข้ามถนนไปพรกาก็โดนรถชนตายคาที่แต่ปรากฏว่าคนในวัดเนี่ยเห็นเธอมาที่วัด ในช่วงใกล้ๆกันคนที่วัดก็ไม่รู้ในสมมติว่ามันมีการชนกันตายหน้าวันถ้าสิ่งที่คนวัดเนี่ยเห็นเนี่ยจริงเนี่ยมันก็แปลว่าผู้ยงคนนั้นเนี่ยจิตของเธอยังไม่รู้ว่าเธอตายร่างกายนี่นอนกองกับพื้นแล้วแต่จิตเนี่ยด้วยความมุ่งมั่นที่จะมาทำบุญก็เลยทำงานต่อไปแั้เมื่อเรู้แบบนี้นะ เวลาเราดูแลคนใกล้ตายจนกระทั่งเขาหมดหลมเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าเ้าหมดการรับรู้แล้วการรับรู้ยังเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรกับร่างของเขาหรือจะพูดกันพูดคุยกันเองก็ต้องระวังบางคนก็ทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันเรื่องงานศพเรื่องการรักษาทะเลาะกันเรื่องแบ่งสมบัติผู้ตายก็จะยังรับรู้ได้ แล <moż> ้วก็อาจจะจิตอาจจะเศร้าหมองแล้วจิตเศร้าหมองจนถึงเวราจิตสุดท้ายนี่ก็ไปไม่ดีนะเพราจิตสุดท้ายเป็นตัวกําหนดว่าจะไปสุคติหรือทุคติถ้าจิตสุดท้ายเป็นกุศลก็ไปดีจิตสุดท้ายเป็นเกุศลก็ไปไม่ดีจิตท่านเหกุศลหมาความว่าหมายความว่ามีความวิตกมีความห่วงมีความห่วงมีความโกรธมีความรู้สึกผิดเนี่ย พวกนี้เนี่ยถ้าหากว่าอารมณ์นี้มันครองจิตจนกระทั่งจิตสุดท้ายที่เรามรณาสันนิวทีนี่ก็ไปอบายเลยแต่จิตสุดท้ายเป็นกุศลนอ้อมนึกถึงพระตรรมนัดไตรถึงความดีที่เคยทำหรือจิตเนี่ยเป็นปล่อยวางมีแต่ความมีแต่ตัวรู้ก็ไปดียิ่งถ้าจิตเนี่ยเห็นสัจธรรมเห็นอธิจักรถึงอรัตตาก็เลยว่า หลุดพน้นจากวัดสงสารได้เลยในเรื่องการน้อมจิตผู้ใกล้ตายก็จะได้คุยกันนะตอนเช้าวันนี้แต่นี้ก็เป็นเรื่องที่เราน่าจะรับรู้หรือว่าพึงจะสังวรเอาไว้นี่ขนาดคนตายเนี่ยนะที่หมอวิทย์ชัยว่าตายแล้วก็ยังโอกาสจะรับรู้ได้นับปรนะสาอรกับคนที่ยังเป็นพักคนที่โคม่า ยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยก็จะรับรู้ไม่ได้เฉยเลยและบางอย่างก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดอาจารย์รนัมโมโรนะท่านเล่าว่าอยายของท่านเนี่ยเป็นผังมาสี่ปีแในวันหนึ่งเนี่ยก็จะเรียกว่าอะร่างกายผิดปกติป่วยหนักอย่างไรงหมอวิทย์ใช้ว่าจะต้องผ่าตัดลูกๆเนี่ยลูกๆ ก, ก็คือโยมแม่หรือว่า ป้านาของท่านอาจารย์ามาโรเนี่ยต้องมาปรึกษากันปรึกษาตกลงกันว่าจะพาเลยให้แม่ไปอย่างธรรมชาติดีกว่าพรากว่าพอตกลงกันเสร็จไม่รู้ทันทีหรือหลังจากนั้นเนี่ยท่ยเนี่ยคุณยายเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่า thank you สี่ปีเนี่ยมีพูดประโยคคำเดียวคือ thank you แล้วก็เม่นานในในอป็นางก็เสียชีวิต ถ้าเป็นผักเนี่ยนะได้ยินนะอาจจะยังรับรู้อะไรต่างๆได้มากมายอันนี้มันเป็นที่ยืนยันกันแล้วว่าเป็นไปนได้เพราะว่ามันเคยมีการสกรัสมองคนที่เป็นผักจับอุปัติเหตุนะผักมันมีหลายแต่ผักจับอุปติเหตุเนี่ยมันก็อาจจะเป็นผักชั่วคราวไม่ใช่ผักถาวรหม อ, อว่าสั่งคนไข้ว่าให้จินตนาการว่ากําลัง เดินเล่นอูในห้องแล้วก็จินตนาการว่ากำลังเล่นเทนนิสบอกว่าสมองส่วนที่ทํางานเกี่ยวกับภาษาเนี่ยมันมันสว่างสมองที่เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมกล้ามเนื้อทั้งเรียกว่า premotor cortex เนี่ยมันก็ทํางานเวลาจินตนาการว่าเราเดินเนี่ยนะสมองมันก็ทํางานมันก็ว่าเราเดินจริงๆนะแต่ว่ามันทํางานในในดีกรีที่ต่ำกว่าเราเดินจริงๆ นักเรียนเป็นโนี้เขาจินตนาการว่าากระดิเป็นโนเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาได้ซ้อนเป็นโน้สมองมันทำงานแม้คล้ายๆกันแม้ไม่ว่าพยายามทำทำจริงๆหรือว่าคิดเอาไอ้ผลกานทดลองเนี่ยเขาก็เอาไปผลผลขอสแกนสมองก็ไปให้ไปเปรียบเทียบกับอาสาสมัครที่ได้รับคำสั่งแบบเดียวกันอาสาสมัครที่เป็นคนปกติ เพราะว่าผลสแกรสมองเนี่ยเหมือนกันเลยแยกไม่ออกว่าคนไหนเป็นผักคนไหนปกติแล้ก็แปลว่าคนที่เป็นผักนี่เขายังรับรู้ได้แต่เขไม่สามารถจะสื่อออกมาได้แต่ชอบคนที่ผักยืดเตี้ยกท้กาวอร์นี้ก็คงจะเป็นอย่างนั้นมันก็มีแค่หลายเคท่ที่เส้นเรื่องในสมองแตกไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุนะจมเกิดสโัโตรงแล้วก็สมองตายแต่ว่าการลการฟื้อขึ้นมาจนกระทั่งตื่น แล้วก็สามารถจะเดินเหินได้เกือบจะปกติซึ่งเป็นเรื่องอับสัตว์กันเขาก็เล่าว่าตอนที่หมอมามาคุยกันเองเขาก็ได้ยินตอนที่หมอมาบีบเท้าเขาเพื่อจะดูว่าเขาเป็นผักหรือเปล่าเขาบอากเขาปวดมากปวดมากแต่พูดไม่ได้อยากจะบอกให้หมอหุดหยุดทำได้แล้วแต่พูดไม่ออกแต่พอฟื้นขึ้นมาเขาเล่ามันก็าทาให้เรา ก็เลยรู้ว่าภาวะจิตหรือความรู้สึกของคนที่เป็นผักนี่อาจจะไม่ต่างจอกคนธรรมดาทีนี้มันมีการการจำแนกคนที่เป็นผักว่ามันจะมีกลุ่มหนึ่งที่เราจะเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นผักไม่ได้แต่เรียกว่าเป็นคนคไข้เพื่มมินิมัลลี่คอนเทนเซชัน M C P ก็คือยังรับรู้ได้เวลาเพื่อนคุยเรื่องตลกบางทีหัวเราะนะเป็นพรรคเนี่นะแต่พอเพื่อนมาคุยโจ๊ะบางโจ๊ะนี่หัวเราะเลยหรือบางทีภรรยามาร้องห่มร้องไห้เพราะเสื้อชีลำบากหลังจากที่สามีเป็นเป็นพรรคให้คนไข้ก็น้ำตาไหลนะแล้วก็น้ำตาซึมเฉพาะเวลาภรรยาก็มาร้องห่มร้องไห้ไม่ใช่ว่า น้ำตาซึมน้าตาไหลในกรณีอื่นอันนี้ก็เลยชื่อว่าเนี่ยเขารับรู้ได้โคฟ้าเอก็ยังรับรู้ได้เนี่ยอันนี้เราก็เคยได้ยินมาหลายรายแล้วพอฟื้นขึ้นมาก็มาเล่าว่าได้ยินหมอพระหมอพยาบาลพูดถึงตัวเว่าอย่างไรบางทีก็พูดถึงตัวเขาอย่างไม่สุภาพบางทีก็เอามาล้อเล่น ต, ตัวก็โกรธแต่ว่าก็ไม่สามารถจะสื่อสารอะไรได้มีรานี้ที่แปลกมากอันนี้ก็มีการบันทึกเอาไว้สัจชายกายนะนี่บางคนก็รู้จักเพื่อนเขาเป็นนักแต่งผมที่มีชื่อนะชื่อเป็ดเป็นคนดังในวงการแฟชั่นเป็ดนี่เป็นบะเร็งต่อหลังก็สุดจนกระาทาั่งอาการก็แย่ลงมีช่วงหนึ่งเนี่ยสัจชายกก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเป็ดวันหนึ่งตอนเที่ยง เ็ได้โทรสัรจากเป็กเป็ดมาบอกว่าเนี่ยพี่หนูจะไปแล้วนะตักเช้าถามไปไหนหมอบอกว่าหนูจะอยู่ได้ไม่นานเฮ้ยแกจะไปได้เงาเสียงยังสาสอยู่เลยไม่รู้ละหมอบอกนี่แหละพี่ถ้าจะมาก็รีบมาเนาะตัดเช้าก็รีบบึง่งรถไปเลยนะถึงโรงพยบาบาลเนี่ยบ่ายสองไปถึงพรากว่าเป็ดโคมา่า ก็เลยถามว่าเปิดคอมมาเมื่อไหร่ก็ได้คาตอโคมมาแต่ตีสองนจากรชายก็งงอ่ะพวกยังคุยโทรศัพท์กันอยู่เลยเนีย่ยแล้วโชวโทรศัพท์ให้ดูมีมีการมีรีคอร์ดว่าเปิดโทรมาตอนเที่ยงสองนาทีแล้โทรศัพท์เป็นอยู่ไหนมีใครไปใช้หรือเปล่าก็ไม่มีใครยุ่งเหมือนศัพเปิดอย่างไรแล้วโทรศัพท์เป็นอยู่ไหนอยู่ในเก ก็ไปเอามาดูก็ราะว่ามันก็มีการรีคอร์ดว่าโทรมาหาสัพยบชัยเที่ยงสองนาทีนั่นแหละก็ตกลงใครโทรนะก็คงมีคนเดียวที่โทรนะคือเป็ดตล้วเป็ดโทรไปได้ยังไงคงไม่ได้กดปุ่มแน่นะแต่แปลกนะเดี๋ยวนี้แล้วคนที่ใกล้ตายหรือคนที่ตายไปแล้วเนี่ยบางทีก็ส่งขาของโทรศัพท์ได้ <c oughs> เด็กคนหนึ่งเนเป็นมะเร็งนะกระดูกชมีใหญ่รักใจเนี่ ย, ยตอนหลังแกก็มขอขอมาขอมารักษาตัวที่บ้านแล้วก็สุดท้ายแกก็หมดลมค่ะที่พ่อแม่เนี่ยกําลังอยู่กําลังทําอะไรกำลังอยู่กัเตียงนะอยู่ข้างเตียงก็มีรถส่งออกซิเจนมาบอกว่าเนี่ยเอาออกซิเจนมาส่งพ่อแม่ของเด็กบอกไม่ต้องแล้ว ไม่ใช้แล้วแล้วนี่ใครเรียกมาเนี่ยเพราะพ่อแม่ก็ไม่ได้เรียกไอ้คนสองบอกว่าได้โทรศัพท์จากเด็กคนนึงให้เอาออกซิเจนมาส่งเมื่อกี้นี่พ่อแม่ยังงงไอ้เด็กคนนั้นคือใครนะก็คงจะเป็นลูกของตัวเงนั่นนะแหละแล้วโทรได้ยังไงอันนี้ไม่ไพูดถึงโทรหลังตายนะอันนี้ก็มีนะแต่ว่ามัน มันนอกประเด็นไปแล้วแล้วก็เลยเวลาไปแล้วด้วยก็ขอยุติเท่านี้ก่อนกันเช้านี้น